รู้อยู่มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้มีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้มีนิวรณ์ก็รู้มีการมาฉันทะนิวรณ์ก็รู้รู้ว่านิวรณ์เกิดจากอะไรนิวรณ์ดับไปได้เพราะอะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ภายนอกก็รู้ทันนะ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 พอรู้แล้วเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามแนละ้วมันจะละความยินดียินร้ายในรูปในนามนั้นได้เช่นเราเคยยินดีกับความสุขยินร้ายกับความทุกข์ยินดีกับกุศลยินร้ายกับอากุศลพอเราจเจริญสติปัฏฐานมากๆเราก็เห็นว่าความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วครา ว, วากวุศลชั่วคราวกุศลชั่วครา ว, ว, ราวทุกอย่างชั่วคราว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 แต่จิตใจไร้ทิศทางไร้ที่พึ่งมันวังเวงใจนะมันชาตินี้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมีโอกาสที่ได้ฟังทำได้ศึกษาปฏิบัติแล้วต้องทำนะถ้าจะทิ้งนาทีทองในสังสารวัตรนี้ไปนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะไม่เหมือนนาทีทองในโทรทัศน์หรือตามห้างสรรพสินค้านะั้นมันโกหกวันหนึ่งมันมีตั้งหลายรอบนะ <c oughs> บางคนมาถามหลวงพ่อทาไมหลวงพ่อภาวนาเร็ว